ที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ข้อความสั้นๆนี้เนี่ยเราครอบคลุมปิตุ่งมมาแล้วก็สาระของชีวิตได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะจากมุมมองของพุทธศาสนาคนเราเนี่ยถาาว่าทำประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายแต่ว่าจิตใจไม่ได้จัก ความสงบเย็นเป็นได้ความเครียดความที่ตกกังวลความเึง่อยเฉียวความหงุดหงิดอันนี้ก็คือว่ายัางเข้าถึงคุณค่าของชีวิตได้ไม่ครบทวนในทานเดียวกันในคนที่ชีวิตจิตใจสบายๆหรือว่ารู้สึกสงบเย็นแต่ว่าไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้ช่วยเหลือใครเลยเนี่ย มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นความสงบเย็นแบบจำแลงหรือจำลองเป็นความสงบเย็นแบบเต็มเที่ไม่ใช่ความสมบเย็นที่แท้เราสามารถจะใช้สองสองคำเนี่ยนะมาใส่ตองชีวิตเราว่าชุดเราเนี่ยได้เข้าถึงคุณค่าสาระนะที่ ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าบางคนนี่ไม่มีทั้งสงบเย็นแล้วก็ชีวิตก็ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือไม่ได้ทำอะไรที่ช่วยเหลือผู้คนเลยอันนี้ก็นหนักเข้าไปอย่างจริงๆเนี่ยสองคำเนี่ยสงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยถ้าจะพูดอีกแง่ น, นึงนะก็คือว่าเป็นชีวิตที่ถึงพร้อมทั้งด้วยการทําจิตและการทำหลายคนไม่ค่อยได้พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้แต่ทําจิต อันนี้เป็นความเขจาใที่ยงไม่ครบถ้วนจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้ทำจิต ด, ด้วยทำจิตคือจอจานทำจิตคือกอไก่สองสองอย่างเนี่ยจะต้องมาควบคู่กันตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราแผ่เมตตาตการแผ่เมตตานี่ก็เป็นการทำ เรแผ่เมตตาแล้วเราก็สงบเย็นเราก็ทราบดีว่าการแผ่เมตตาหรือการเจริญเมตตาจิตนี้ก็เป็นส่วนของพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุจิตาอุเบกขาแต่ว่าทําเท่านี้ไม่พอนะเมื่อเราเจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยเราต้องออกไปทํากิจ ด, ด้วยด้วยนี้พระพุทธองค์จึงไม่เพียงแต่สอนเรื่องพรหมวิหารสี่นะ แต่ว่ายังคงสอนเรื่องคำข่าวัตถุสี่คู่กันไปด้วยคนไทยส่วนใหญ่รู้จักพรมวิหารสี่แต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่ยได้ยินสำข่าววัตถุสี่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าเราสอนกันไม่ไม่ค่อยครบถ้วนด้วยคำข่าววัตถุสี่นะมันแปลว่าทำที่สงเคราะห์ผู้อื่นหรือว่าส่งผลให้เกิดการ ประสานใจผู้อื่นให้เป็นหนึ่งเดียวสงเคราะห์นึ่แปลว่ช่วยเหลือก็ได้หรือว่าประสานก็ได้นะรวมกันเป็นหนึ่งก็ได้สังกัวัตถุสี่มีอะไรบ้างนะก็มีทานไม่ตามมัอนอแสดงออกมาเป็นทานกรุณาก็เหมือนกันนะแสดงออกมาด้วยการให้ทานด้วยการแบ่งปันสิ่งของไม่ใช่เฉพาะกับพระนะแต่ว่ารวมถึงกับยากคนตนหรือแก่ส่วนรวมด้วย ให้ทาแล้วไม่พอรอต้องแสดงออกมาด้วยคําพูดคือปียวาจาคําพูดที่ไพเราะสุภาพให้กําลังใจแนะนําในทางที่ดีไม่จะตัดเตือนก็ตัดเตือนด้วย เ, เมตตาด้วยความด้วยวาจาที่สุภาพซึ่งแน่นอนนะั่นก็ต้องออกมาจากเมตตาและกรุณาให้ทาแล้วนทาดีด้วยคําพูดแล้วก็ต้องทําดีด้วยการกระทํา อัตจริยาอันนี้คือลงมือเข้าไปช่วยเลยอย่างในหลวงเนี่ยนะท่านก็บำเพเ็ญอัตจริยาอยู่มากนี่เราก็ชนชี่เสด็จไปที่นั่นที่นี่ช่วยเหลือคนมากมายไม่ได้เพราะไม่ได้พระทานแบบทุนท ร, รัพย์ดีคอยฟังส่วนตัวกับคนยากไร้คนที่ถูกไฟไหม้น้ําท่วมนะแต่ลงไปช่วยลงไปเไม่ว่าคุกคลีปลูกปล้มกับปัญหา สมัยนี้เราก็เรียกว่าจิตอาสาได้นะอัจจจริยาเนี่ยเข้าไปลงมือกระทําเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยสมาธิตาร่วมทุกร่วมสุ ก, รกหรือว่าร่วมเรยอ่อเรียกว่าเาสเมอบาสเสมอไหลเนะี่ปฏิบัติกับผู้คนอย่างสเสมอต้นเสมอปลายนะี่ยยิ่งเห็นได้ว่าควบคู่กันนะทั้งทำจิตด้วยแล้วก็ทำกิจแต่พอเรา ก็ะจะพุทธศาสนาสอนให้ทำต่จิตนะเราก็เลยคิดว่าเออแผ่เมตตาก็พอแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งมีคนเขาพูดจาคํานองอวิจารว่าเนี่ยชาวพุทธเราเอาแต่แผ่เมตตาอยู่ในมุง้งอันนี้เป็นคำพูดเมื่อห้าสิบปีกว่าสมัยคนไทยที่ยังยังนอนอยู่ในมุ่งนะ คนไปชาวพุทธเราเอาแต่แผลในต่ในมืงองหมายความว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่เหมือนชาวคริสตนะ์ชาวคริสต์มีไปตั้งโรงเรียนทำโรงพยาบาลไปเยี่ยมผู้ป่วยไปช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ต่อมาเคยพาคนไปไปไปจิตาสาเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลใ น, ในหัวเมืองนะ ก็มีพยาบาลเนี่ยถามจิตอาสาว่าเป็นคริสต์หรือเปล่ น, นี้มันสะท้อนในบางอย่างนะแปลว่าแล้วก็มีแต่ชาวคริสตนะ์ที่ไปเยปี่ยมผู้ป่วยไปจิตอาสาเนี่ยทำไมชาวพูทเราไม่ค่อยไปนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชาวพุทเราเครียดแผลไม่สากระพอหรือว่าอย่างมากก็ให้ทานอันนี้มันก็สะท้อนถึงความความไม่ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็ปฏิบัติไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะในหลักธรรม ทำจิตแล้วต้องทำกิดด้วยเมื่อกี้เนี่ยเราก็สวดกาทิยายปริมโอว่าเราก็ตามมาด้วยอาการพิจรารณาสังขารให้สังเกตนะว่าทั้งสองบทเนี่ยพูดถึงเรื่องอนิจกจกังเหมือนกันแต่ว่าลงท้ายหรือจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน จิโมว่ายผู้เจ้าก็ตัดน้อยเนี่ยสังขัรทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทใหถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้หมายความว่าไงหมายก็ว่าให้เร่งรีบทําให้ขนไข้ ย, ย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยป่าประโยชน์จะ ต, ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเร่งรีบทํำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่า บทบทิจาาสังขารเนี่ยก็พูดถึงความไม่เที่ยงสังขารเหมือนกันนะแต่สั้นสอนเพื่อให้ปล่อยวางปล่อยวางนะปล่อยวางสังขารนี่นะอันนี้ชัดมากนะในบทส่วนบางสุกุลตายเนี่ยเหมือที่เราคุ้นเคยนะได้ยินได้ฟังในงานศพอันดีเจ่าตจารสังขาราเนี่ยความหมายสั้นๆความหมายย่ยอยๆคืว่าเนี่ยสังขารทั้งหลายนะมันไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไปเป็นธรรมดามีแล้วดับไปแล้วก็ตบท้ายว่าเนี่ยการทำความสงบร่างกับแห่งสังขารหรือความที่ปรุงแต่งเป็นความสุขอย่างยิ่ง น, นั่นเนี่ยก็ไปายถงการปล่อยวางปล่อยวางสังขารปล่อยวางความปล่อยวางในระดับที่ไม่เอามาปรุงแต่งปล่อยวางที่ใจปลารบเรื่องความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ลงท้ายไม่เหมือนกันนะ อันนึงลงท้ายบอกว่าเนี่ยให้คุนขวายนะอย่าอยู่อย่าแชรเชิญ อ, อย่านิ่งเฉยอยีกอันนึ้งบอกให้ปล่อยวางคนนี้ไม่เข้าใจก็สงสัยทราพผู้เจ้าสอนไม่เหมือนกันหรือบางทีก็บอกว่าสอนตรงข้ามกันไม่ไม่ได้ตรงข้ามกันเลยแนละไม่ได้สวนทางกันเลยแต่ว่ามันเสริมกันซึ่งสะท้อนในเห็นถึงแนวคิดของพุทธศาสนาว่าทากิตด้วยแล้วก็ทาจิต ด, ด้วย ปล่อยวางด้วยแต่ว่าต้องขนยนะทำความเพียรไม่ได้ขัดแย้งกันนะเพราะปล่อยวางในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงการปล่อยวางที่ใจส่วนกิจการหน้าที่ยังต้องทำก็คือต้องทำกิจอยู่เจ็บป่วยก็ต้องปล่อยวางนะอย่าไปตีปลอยตีพลยเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารมันก็ไม่เที่ยงนะนะั่นแหละ ก็ต้องรักษาด้วยจะรักษาเองหรือไปหาหมอก็แล้วแต่รวมทั้งต้องหมั่นดูแลสุขภาพด้วยหลังจากไปหาหมอแล้วปล่อยวางที่นี่คือการทําจิตถึงไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวลเพราะมีปัญญาเห็นว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นธรรมดาที่ต้องป่วยแต่ก็ต้องรักษาคนไปเข้าใจว่า ปล่อยวางนี่คือปล่อยฝ่าละเลยนะหรือวางเฉยถ้ า, าเข้าเจวานนี้ก็าแซงว่าไม่ทํากิจปล่อยวางคนทั่วไปหมายถึงการไม่ทํากิจแต่ที่ที่พระเจ้าสอนเนี่ยให้รู้จักวางจิตในธรรมใจมากกว่าคือทําใจไม่ทุกนะไม่ว่าเมื่อมีสิ่งที่อไม่เที่ยงหรือว่าสิ่งที่เสื่อมสลายเกิดขึ้นแต่พอเราไป ไ่เข้าใจว่าปล่อยวางเนี่ยคือการไม่ทํากิจเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาอที่พระนอบพงเนี่ยมันสมัยที่หลวงพ่อชายังไม่ค่อยดังเลยนะกุติเสนาสนะก็ไม่ค่อยเอ่อเลยอยู่แบบง่ายๆนะกุติก็มุ่งด้วยยากากุติพระมีพลาวเงก็อายุมันก็เข้า ลมแรงมีกุฏิผ้าหลังหนึ่งนะหลังคาก็หายไปแต่พระที่อยู่ในกุฏินั้นก็ไม่ได้ทําอะไรท่านก็เอาแต่ภาวนานั่งสมาธิหลับตาบริกรรมหลวพชาเดินผ่านมาก็ถามว่าทําไมกุฏิไม่ซ่อมท่านก็บอกว่าผมกําลังกปล่อยวางครับหลวพ่อชาก็เลยตาหนิว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่วางเฉยแบบโบกปลไปนะ ต้องมีปัญญาปล่อยวางกดีแล้วแต่ต้องซ่อมหลังคาด้วยนะก็คือต้องทํากิต ด, ด้วยถ้บ้านเราหลังคารั่วนะก็ก็ต้องปล่อยวางเนี่ยคือไม่ทุกข์ไม่หงหุดหงิดแต่ว่าก็ต้องซ่อมด้วยก็คือว่าต้องทําจิตแล้วก็ทำกํำจิตไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นการทํางานหรือว่า จะทำอาชีพการงานอะไรก็ตามหรือว่าจะช่วยเหลือใครก็ตามเนี่ยเราต้องไม่ลืมไม่ทิ้งการทำจิตเช่นทำอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นจิตน้อยใหญ่ล้างหน้าถูฟันอาบน้ำทำครัวล้างจานหรือว่าทำงานทำการ เป็นพยาบาลเป็นหมอช่วยเหลือคนป่วยเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้ดีแล้วนะเป็นการทำกิตที่ดีเป็นการเป็นประอย่เพื่อผู้อื่นแต่ต้องรู้จักทำจิตให้สงบเย็นด้วยหลายคนทำแล้วทุกข์นะเครียดเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นจิตอาสาหรือแม้แต่เป็นพ่อแม่ ทำกิจเพื่อคนไข้ทำกิจเพื่อผู้ทุกข์ยากทำกิจเพื่อลูกแต่ว่าไม่ทํากิจถ้าไม่ทํากิจเกลียดวิตกกังวลหงุดหงิดโมโหบางทีท้อแท้ช่วยเหลือผู้อื่นแต่จิตใจรุ่มร้อนนะมันก็ไม่ตายจากพัดลมเหมืนนะพัดลมนี่มันทําให้คนที่อยู่ข้างหน้านี่เย็นแต่ตัวมันร้อนหลายคนเนี่ยทําตัวเหมือนพัดลมเลย ก็ดีส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งพร่องไปแต่คนเราไม่ใช่ทัานลมนะคนเราเนี่ยการที่เราช่วยคนอื่นเย็นสบายมีความสุขเราก็สามารถที่จะทําใจของเราให้เย็นได้ดีจยิงไม่ได้นะทํจาจิตต่อการ ท, รารทําจิตหลงพ่อเพื่อพระเนี่ยท่านก็กลิ่ผู้ย้เสมบัติการทํางานคือการปฏิบัติธรรมคือนอกจากทํางานที่มันเป็นสามมาชีวะงานที่สุดจริตแล้วนะ ปฏิบัติธรรมในความหมายของท่านก็ยังหมายถึงการทำให้มีสติให้รู้จับปล่อยรู้จับวางทำแล้วก็ตามนะไม่ว่างานจะหนักหนาในใจไม่เครียดเพารู้จับปล่อยรู้จับวางนะไม่ได้ขัดแยง้งกันนะทำงานเต็มทีนะ่แต่ว่าใจปล่อยวางสมัยที่ส่วนโมงยังมีการก่อสร้างอาคารต่างๆ โรงพหาาลศทางวิญญาณใช้เวลานานหลายปีเพราะว่าอาศัยแรงงานของพระแล้วก็แนวเป็นหลังสร้างโรงพหาาลศพทางวิญญาณเสร็จก็สร้างอาคารอื่นตามมาเช่นมีคราวหนึ่งก็สร้างตึกที่ชื่อว่าธรรมนา ว, วารูปร่างเป็นคล้ายๆเรือใช้รับเก็บน้ำฝนแล้วก็ใช้เป็นที่ที่ ถามว่าโซนมันเวลาฝนตกนะเพราะว่าลานหญิงโค้งนี่ไม่มีหลังคาเวลาฝนตกแล้วก็ลํบาบากก็ย้ายมาที่ธรรมนาวาเมื่อสร้างเสร็จก็ใช้เวลาอยู่หลายปีมีช่วงหนึ่งที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็มีลูกศิษย์ท่าอาจารย์นี่มากราบท่านมาจากต่างจังหวัดตรงนีม้ามาจากกรุงเทพเลยต้องไปถามว่าธรรมนาวาหรือเรือเนี่ยเสร็จหรื อ, อยัง อาจารย์เรือเสร็จรยังดาวุทธาบอกว่าเสร็จแล้วเราก็แปลกใจนี้เมื่อสองสามเดือนก่อนมานี่ยังทําได้แค่ครึ่งเดียวนะั้นนี่เสร็จแล้วเหรอเนี่ยอยับไปดูก็เลยไปดูปรกฏว่าก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนก็เลยกลับมาถามท้าวดาวุทธาว่านอาจารย์าารยเรือนี่มันยังสร้างไม่เสร็จเลยนะทําไมท่านอาจารย์ที่บอกว่าเสร็จแล้ว ถ้าจำก็เลยกว่าก็มัน เ, เสร็จทุกวันนะ่ะวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จวันรุ่นี้ก็เสร็จอันนี้เป็นนะหมืนกับปิศนานะ่ะธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเวลาทํางานเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกสบายนะจะรู้สึกโล่งนะรู้สึกอไม่มีความวิตกกังวลอะไรแต่ในวุฒิทานเนี่ยนะ ใจท่านเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่าไม่ว่าทําอะไรก็ตามตัวเนื้องานเนี่ยแม้แต่ยังไม่เสร็จแต่ใจท่านเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสบายไม่คิดต่โกนไม่เครียดเนาะเหมือนกับว่าทํางานเสร็จเออสะท้อนถึงการทํางานอย่างปล่อยวางหลายคนเนี่ยนะเช่นทํางานก่อสร้างนะวางเครื่องไม้เครื่องมือลงแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้ว แต่ยังแบ่งงานไว้ทิสใจแบ่งงานไว้ทิสใจแต่ถ้าอวุทานเนี่ยนะวางเครื่องไม้เครื่องมือลงนะไม่ได้ทำแค่นั้นนะวางงานลงลงไปจับใจก็เลยเหมือนกับว่าทางานเสร็จแล้วการทำงานเนี่ยอย่างปล่อยวางเนี่มันเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าพอปล่อยวางแล้วก็คือไม่ทำอะไรเลยที่จริงควรจะทำไดยนะทำงานปล่อยวางทำไมอย่างปล่อยวางก็คือว่า ทำงานด้วยความรับผิดชอบนะแต่ว่าใจปล่อยวางที่จริงไม่ใช่ปล่อยวางเมื่อถึงเวลาพลักเท่านั้นนะแต่ปล่อยวางในขณะที่ทําด้วยก็คือระหว่างที่ทําเนี่ยนะก็ใจก็วางจิดหมายหรือผลสําเร็จไอ้นั่นมันเป็นเรื่องอนาคตจะเสร็จอย่างไรเสร็จเมื่ อ, อไหร่เป็นเรื่องอนาคตจะไปสนใจมันบางคนทําไปก็เอาแต่ ผลไปเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเหมือนกับเราเราเดินธรรมญาตาิตายเดินไปว่าเ ม, มื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงอันนี้เรียกว่าเดินแบบไม่ปล่อยวางใจมันยังไปยึดกอบเกี่ยวอยู่กับจุดหมายหรือว่าผลสําเร็จข้างหน้าซึ่งมาเป็นอนาคตวิธีปล่อยวางง่ายๆคือว่าใจอยู่กับปัจจุบันไม่ไปกอบเกี่ยวอยู่กับผลที่จะเกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่มันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จสิน้นเมื่อไหร่จะถึง เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเขาจะชมเราไหยปล่อยวางและจายอย่าสบายอันนี้เรียกว่าทำทากิจแล้วก็ทำจิตไปพร้อมๆกันเหมือนกับที่ได้พูดไปเมื่อเมื่อวา น, นชุนวิลสุสุกิเนี่ยนะสร้างวัดขนอิกขนไม้มีลูกสิษลูกหามาช่วยขนเป็นชาวอเมริกันวัยรุ่นหนุ่มสาวยี่สิบ ไมถึงยี่สิบก็มีทมําไปได้คลุ้งวันต้นเนื่องการชุนบิวทําทุกวันทําทั้งวันแบกถนแบ ก, แบกไม้อาจารย์แก่กว่าลูกศิษย์ต้องเยอะครัวก็เล็กกว่าอาจารย์ก็หกสิบแล้วหกสิบกว่าแล้วลูกสิษย์นายชอมริกันเนี่ยก็เลยสยงสัยถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ทําได้ทั้งวันท่านก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลา พักทั้งวันลูกสิษย์ก็งงก็เห็นทําทั้งวันนะไอ้ที่ทําอะคือกายทํานะแต่ว่าจิตมันพักคือจิตมันวางนี่กือว่าทำจิตแล้วก็ทําจิตไปพร้อมๆกั น, นทํางานด้วยใจที่ปล่อยวางมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็คือว่างานก็สําเร็จนะคนก็เป็นสุขไม่ใช่ว่าปล่อยวางคือไม่ทําอะไรเลยและถ้า ทำแบบๆๆปล่อยแบบปล่อยวางนั่นมาทำได้ดีทําได้นานด้วยลูกศิษย์ของอาจารยเนี่ยทํางานแบบไม่ปล่อยวางทําเต็มที่นับแต่ซีเรียสทำเป็นที่ด้วีเรียสด้วยนะอาจารย์นี่ทําเต็มที่แต่ไม่ชีเรียสส่วนให ญ, ญ่เนี่ยก็เป็นอย่างลูกศิษย์นั่นแหละดูทำทำด้วยใจที่เครียดจึงที่ทํามีประโยชน์นแต่ว่าใจไม่สงบเย็นแลวอาจารย์นี่ทําไปนะ นานก็ไปได้เรื่อยๆส่วนใจก็สงบไม่เป็นภูมินี่ลอง่มาฝึกนะทำกิจและทำจิตหรือพูดอย่างที่ว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเราเดินธรรมยาตาเนี่ยก็เป็นการทำกิจนะที่น่านุ้มรทนามากเรามาทำประโยชน์ส่วนรวมก็อย่าลืมทำกิจ ด, ด้วยทำไปพร้อมๆกัน เดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะด้วยใจที่ปล่อยวางจริงอยู่หน้าเราเดินเพื่อจะให้ถึงนะอย่างเมื่อวานนี่เราก็เดินมาเพื่อจะมาถึงที่มีแต่เมื่อตั้งแต่เมื่อลงมือเดินเมื่อเริ่มเดินเมื่ อ, อไหร่ก็ให้วางให้เราเรียกว่าจุดหมายเนี่ยไม่ดีไม่ดีที่ข้างหน้าจุดหมายที่ปลายเท้าจุดหมายไม่ดีกที่ปลายทางแนละ้ววางจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อน ให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวที่เดินเอาแค่ว่าให้แต่ละก้าวมันขยึ้งขยับไปได้ทีละกา้าวทีละก้าวก็พอแล้วแม้มันจะเหนื่อยแต่ปวด ย, ยังไงก็จะพึ่งเทาจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยนะถามตัวเองว่าถ้าก้าวไปหนึ่งก้าวนี่ไปไหวไหมถ้าอีกก้าวนึงยังก้าวไหว 9. ก้าวก้าวก้าวเสร็จถามถามต่อไปว่าถ้าจะก้กหนึ่งก้าวนี่ไหวไหมถ้าไหวก็ก้าวต่อ นะทําไปทีละเก้าทีละเก้าถ้าทาให้หยุดนะมันถึงแน่นะอย่าไปไม่ต้องไปเกอะเกี่ยวกังวลวิตกว่าจะถึงหรือเปล่ปาถึงเมื่อไหร่ถ้าทําให้หยุดมีความเพียรอยู่ต่อเนื่องเนี่ยมันถึงแน่ให้จุดหมายไปทาไปเรื่องของอนาคตส่วนเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันทําความเพียรให้เต็มที่อย่างพาสิติเขาบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสาเร็จเป็นของฟ้า ฟาดหมายถึงว่าหมายถึงฟ so ้าดดินนะนะหรือถ้าพูดแบบพูกคือความพยายามปของมนุษย์นะส่วนความสําเร็จก็เป็นเรื่องของปัจจายเป็นเช่นนั้นเองหรือเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยความเจ็เรื่องเหตุปัจจัยซึ่งมีมากมายและความพยายามเราเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเท่านั้นต้องไม่รู้ว่าความพยายามเราเป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะส่วนจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมาย ขึ้นอยกบินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับผู้คนขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบางคนตั้งใจจะมาให้ถึงตั้งใจจะเดินให้ครบแต่เกิดพ่อป่วยแม่ป่วยเนี่ยก็ต้องอันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นความผิดพลาดของเราเลยนะแต่บางทีต้างเหตุปัจจัยมาไม่อํานวยอเราก็ทําเต็มที่แล้วนะแต่มันทำได้ไม่สําเร็จเพราะอุปป ก, การีไม่สบายเนี่ยนะมันก็ช่วยไม่ได้นะ อันนี้เรียกว่าความพยายามเป็นของเรานะหรืออยู่ที่เราเสริมความสมดึกมันอยู่ที่เหตุปัจจัยคนจีนเขาใช้คำว่าฟ้าดิ น, นให้เราทําเนี่ยนะเวลาทำความกิดเนี่ยอย่าลืมทําจิตไปด้วยเดินก็เดินอย่างมีสติอย่๋ยเพิ่งตามมองไปข้างหน้าก็จริงนะแต่ว่าให้มีสติออกมาดูใจอยู่เสมอไม่ใช่เดินไปข้างหน้าแล้วแล้วลืมใจตัวเองเดินไปข้างหน้าดีแล้วเนะี่ย อันนี้คือการทํากิจแต่อย่าลืมกลับมาดูใจของตัวเองมันเป็นยังไงใจรุ่มร้อนไหมใจวิบวับหรือเปล่าใจกําลังคิดถึงอ น, นาคตเสี่ยงมาไม่ถึงใจกําลังนึกกังวลถึงถุงลูกหรืออะไรห ร, รือเปล่าเดินไปข้างหน้าอย่าลืมย้อนกลับมาดูใจนี่แหละเรียกว่าทำจิตและทำจิตไปพร้อมๆกันและจะเดินได้ดีจะเดินได้นา น, านเพราะว่าใจนี่ไม่ถูก ไอ้ที่เดินไปไม่ถึงหรือว่าเดินไปแล้วใจรุ่มร้อนเนี่ยนะเป็นเพราะว่าความแตะจิดแต่ไม่ทําจิตทํางานแต่ว่ายังทาด้วยความยึดติดไม่วิจักป่อยวางนะทุกขนาดที่เราทํางานทุกขนาดทุกินาทีที่เราทํากิจไม่ว่าอะไรก็ตามเนะียไม่ว่าการเลี้ยงลูกไม่ว่าการทํามาหากิน เลียงลูกเนี่ยหลายคนก็เครียดเพราะเพราะว่า ย, ยึดติดนะยึดติดไม่ใช่ยึดติดในตัวลูกอย่างเดียวนะยึดติดในความพิชของตัวปราชนะดีอยากจะให้ลูกเรียนคณะนี้มาเวลัยนั้นจะได้มีอาชีพการงานพอลูกไม่เรียนไม่เข้าคณะหรือมาอะไรที่ต้องการก็ทุกข์ก็วิตก บางทีนะก็ว่าลูกด่าลูกก็ลูกไม่รักดูดูเหมือนรักลูปในที่จริงรักตัวเองมากกว่ารักคือรักความคิดยึดติดในความ้าดหวังของตนลูกทุกพ่อก็ทุกแม่ก็ทุกเพราะว่าเลี้ยงลูกแบบทำจิตแต่ไม่ทำจิต ด, ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยนะก็ดีแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ทำจิตแต่ไม่ทำจิตนะ กลุ่มปกกลุ่มใจเครียดนะเหนื่อยล้าที่เพราะว่ายึดติดมากหลายคนเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยกายแต่เหน่ยใจเพราะความวิตกกังวลใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจเราแวงไม่ไว้วางใจหรือว่าทําไป ก, ก็เกรงว่าจะเกิดอะไรตามมาหรือไม่ก็ไม่ยอมพักพักกายก็จริงแต่ใจไม่พักแต่ไปนอนก็คิดถึงเป็นห่วงแต่พ่อแม่นะ ห่วงไปก็มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นเวลาที่เรากําลังพักแล้วก็อยู่ไกลกับท่านทำกิจนะในการวางพระลงไปจิตใจนะอันนี้คือเวลาพักนะแต่ว่าขณะที่ดูแลท่านเนี่ยก็ให้ทีกับปล่อยวางนี่ก็คืออยู่กับปัจจุบันอย่าพึ่งไปสนใจอนาคตมันจะเกิอดอะไรขึ้นตามมาก็มันเป็นเรื่องที่ว่ากันเพื่อน้แต่ตอนที่เราทําให้ดีที่สุดทําความดีก็ดีแล้วช่วเหลือคนก็ดีแล้วนะ แต่ทมจิดด้วยหลายคนทำความดีแล้วก็กุ้มใจเสียใจยทำไมเ้าไม่เห็นความดีของเราทำไมทำดีแล้วเขาไม่ชื่นชมเราทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมไม่เลือนขั้นทำไมไม่ได้รับคาสรรเสริญแต่ว่าเขียนดีทำไมไม่กดไลน์นะนี่เรียกว่าทาจิตไม่ทาจิตนะ วางซะเอ้ผลที่จะตามมาทำดีแล้วเนี่ยนะเขาจะสำนึกทำดีกับใครเนี่ยเขาจะสํานึกในบุญกิจของเราหรือไม่จะรู้คุณเรากรตันอยู่รู้คุณเราไม่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราวางซะแล้วเขาไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาของเราแม้ได้ความดีแม้ได้ไม่ได้คําชื่นชมสรรเสริญได้รางวัลมาแล้วก็ต้องปล่อยวางอาตารย์พทธาบอกว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างคาชื่นชมสรรเสริญก็ อย่าไปอย่าไปยึดติดมันมีคนนึงเขาพูดดีว่าคําชื่นชมสารเส ร, รสเิญเนี่ยมันก็เหมือนกับ ม, มันก็บบหลักเหมือนกับเมาะขลังนะเคี้ยวได้แต่อย่าลื้นนะอยา่าตื้นตื้นแล้วไม่ดีนะนี่พิจักกษัตริย์นนะาศัต ร, รูสอนพระมาทงคียว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณ า, นาผลแห่งความนี้คือราศ ก, กาลระความชื่นชมสารเส ร, รสเิญรวมถึงสมณศักดิ์เกินนะรวมถึงชื่อเสียงรางวัล ย่อมเป็นทิศแก่ผู้ม่พิจารณาอยู่ถ้พิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นโทษแกับผู้ยึดติดก็ต้องวางเพ็นทําดีเนี่ยนะดีแล้วนะแต่ว่าให้ทําจิต ด, ด้วยให้มาดูใจของเราปล่อยวางไนวะ้ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้คนอย่างไรก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมปล่อยวางด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็จะเอเรียกว่าเราทำเต็มที่นะ เมื่อเราทํากิตเราทำเต็มที่แต่ใจเราวางเราก็เลยไม่เครียดไม่ทุกข์ตลวกายเป็นว่าเนี่ยสามารถจะทําเต็มที่แต่ไม่สี่เลี่ยดได้ทําเต็มที่ไม่จำเป็นต้องสี่เลียดนะเราสามารถจะปล่อยวางอย่างรับผิดชอบได้หรือรับผิดชอบด้วยใจที่ปล่อยวางก็ได้ดูเหมือนขัดแยง้งกันที่ไม่ขัดแย้งกันเลยอันนึ่เป็นการทํากิตอันหนึ่งเป็นการทําจิตควบคู่กัน ถ้าทำนี้ได้เนี่ยนะเราจะเข้าใกล้ถูงสิ่งที่น่าจารย์พุทธว่าสมบเด็นและเป็นประโยชน์และสมบเด็นสูงสุดในพื่ศาสนาคือนิพพานนิพพานที่เกิดจากความการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางผลของงานปล่อยวางอนาคตเด็ดเดี่ยวเพราะนั้นปล่อยวางให้ตัวกูของกูด้วยนะซึ่งอันนี้มันเป็นสาเหตุร่างงาของความทุกข์ทั้งมวลทาําเพียรกับผู้อืน่นแต่ว่ายังมีตัวกูของกูอยู่นี่มันก็ประโยชน์มันก็ ไม่ครบถ้วนนะั่นหรือว่ามันก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่ที่สมบูรณ์บริสุทธิ์้อเปอร์เซ็นตมันต้องทําให้ตัวผลหมดไปเลยนะหรือว่าไม่มีความยิ่งในตรวตนนี่แหละการทําประโยชน์จากผู้อื่นจริงจะเป็นประโยชน์สูงสุดบริสุทธิ์แล้ ว, ว่าเราเองก็สงบเย็นด้วยเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งตนและท่านเกิดประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนพระเจ้าเนี่นะทรงเข้าถึงทั้งสงบเย็นและเป็นประโยชน์ ใจพระองค์เนี่ยก็เย็นนะเพราะได้ทำพนันธานด้แจ้งแล้วก็พระองค์ก็สามารถจะมาเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายด้วยพระกรุณาคุณแล้วที่พระองค์เนี่ยสงบเย็นได้เนี่ยนะเพราะว่าได้มีปัญญาเห็น แ, แก้งสัจธรรมจนกระทั่งปล่อยวางตรวจตนไดน้ไม่มีตัวตนหรือความทียจะตรวจสอบปลายจึงสงบเย็นนะอย่างครบถ้วน ในเราเนี่ยเดินสัมยาตาเนี่ยนะก็ขอให้เราใช้โอกาสเนี่ยเป็นการมาความเชิงนะครั้งทากิจและทําจิตทํายังไงเราจะเดินเต็มที่นะแต่ใจมีสีเรีรู้สึกอยู่เสมอว่าถึงทุกเวลาถึงทุกนาทีอาจารย์พุทธาว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วทุกวันเสร็จวันนี้เสร็จปุ่งนี้มาเลยนี้ก็เสร็จเราก็เหมือนกันนะเราถึงถึงทุกเก้าเนะ ถึงทุกก้าวและนี่แหละนะั่นมันจะทำให้ชีวนะิอนเข้าถึงความสุขเจและเป็นประโยชน์แล้วก็ชาตนี้ก็พูด ก, กันทั้งนี้เอาลับ